เนื้อนาบุญอันเลิศให้ผลในวันนี้ทีเดียวให้ผลรวดเร็วมากเลยเพราะว่าไปบูชาบุคคลที่เลิศด้วยจิตที่เลิศแล้วเพราะเขาไม่ไม่ไม่เห็นแก่ตัวเราแล้วไม่เห็นแก่ตัวเขาเองไม่มัจฉิยะเพื่อตัวเองในความเลื่อมใสในพระคุณพระพุทธเจ้าในศีลพระพุทธเจ้าในปัญญาพระพุทธเจ้าในยิ่งใหญ่ก็นําของที่มีค่านั้นเาไปบูชา พระศาสดาจัดถามภิกษุว่าเธอทั้งหลายนั่งสนทนาเรื่องอะไรภิกษุก็กราบทูลพศาสดาจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าจุเลกษาบกนี้ถาวายผ้าที่ผืนเดียวนะ่ะแก่เราในปฐมมายามแล้วจะได้วัตถุต่างๆถึงสิบหกอย่างไม่ใช่ได้สี่แล้วได้สิบหกถ้าถาวายในมัชชิมมายามคือยามกลางก็จะได้แปดอย่าง แต่เพราะถวายในเวลาจวนจะใกล้ลุ่งคือปัดชิมมยามจึงได้เพียงสี่อย่างแท้จริงแล้วกรรมอันดีเมื่อบุคคลผู้กระทาบุคคลเมื่อจะกระทำกรรมดีต้องไม่ให้จิตที่เกิดขึ้นคือกิจจิตที่เกิดคิดทำดีนะั้นเสื่อมเสียไปควรทำในทันทีนั่นเองด้วยว่ากุศลที่บุคคลทำช้าเมื่อให้สมบัติก็ย่อมให้ช้าเหมือนกัน เราลองดูซิหมายเราได้อะไรช้าแล้วเกินเนี่ยกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหรอแล้วแทบแย่รู้เถิดว่าเราทําบุญช้านะคิดอะไรเนี่ยโอ้โหกว่าจะให้ได้เนี่ยคิดแล้วคิดอีกด้วยอานาจกิเลสบ้างด้วยอํานาจกุศลบ้า ง, น, าางนะก็เลยได้อะไรช้าช้านอะ่าเพราะฉะนั้นพึงทํากรรมดีในลําดับที่จิตเกิดขึ้นทีเดียวที่จิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นครั้งแรกรีบทําเลยให้รีบทําทันที เพราะนั้นเมื่อทำเป็นเร็วแล้วเราก็จะได้เร็วไหว้พระต้องไหว้ก่อนให้ทานต้องให้ก่อนรักษาศีลต้องรักษาก่อนอย่าเป็นคนสุดท้ายเขารักษากันหมดประเทศไทยแล้วเราค่อยรักษาอย่างนั้นก็เราก็ได้ช้านะภาวนาจานเจริญภาวนาก็เหมือนกันต้องรีบทำพระเจ้าได้ตัดคาถาว่าอภิธรทะกัญาเนปาปาจิตตังนิวารเยทันทางหิการโตปุญังป่าปัตสงรามตีมโน บุคคลพึงรีบพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปฉะนั้นอธิวาอธิบายว่าควรรีบทำด่วนนะแบบขึ้นทางด่วนนะนะแล้วไปเลยไปทางด่วนทำเร็วๆจริงอยู่เมื่อจิตคิดว่าเราจกทำกุศลบางอย่างเช่นถวายสลากะพัฒเป็นต้นควรทำไวๆ ด้วยการคิดว่าเราจะต้องทําก่อนทําก่อนทําก่อนโดยประการที่คนอื่นจะไม่ได้โอกาสฉะนั้นนี่สําหรับคารืหัสถ้านักบวชก็เออความดีนะเราจะทําวัดทําความดีกับอุปชาจะนวดเฟ้นอุปชาจะซักกีวรให้อย่างเนี้นะก็รีบ ท, ทําทีเดียวไว้คิดว่าเราทําก่อนทําก่อนอพึงห้ามจิตเสียจากบาปในเมื่อเกิด อากุศลจิตขึ้นมาแล้วตันหนีแล้วว่าต้องห้ามแกแกแก่ไปห่างๆฉันไม่ต้องมาแล้วจิตที่เกิดตันหนีเกิดโรคเกิดลิตรยาไล่มันไปในที่ทุกสถานเลยผู้ใดคิดว่าเราจักให้จักทำเราจักให้ทานเราจักรักษาศีลเอ๊ะแต่ว่าผลเนี่ยมันจะมีแก่เราหรือเปล่าคิดช้าอยู่อย่างนี้เอ๊ะจะได้จริงหรือเปล่าเนี่ยไปแน่มันจะได้มะนะเดี๋ยวชื่อว่าทำบุญช้าอยู่ เหมือนบุคคลเดินทางลื่นเดินแล้วก็หกล้มแล้วลุกมาใหม่เดินใหม่ลื่นล้มใหม่อีกเพราะฉะนั้นความชั่วย่อมได้โอกาสาเหมือนในความตนีของพราหมณ์จูเลกาซาดกนั่นแหละเพราะฉะนั้นใจมันก็เลยไปยอมตามความชั่วนะล้มลงไปแล้วแทนที่จะรีบลุกเออล้มมันก็ดีเหมือนกันนะสบายดีลื่นดีอย่างนี้ก็เต็จเลยไม่ต้องเดินทางนะต้องรีบลุกขึ้นมาแล้วรีบไป เพราะว่าถ้าเบื่อไปยินดีกับความชั่วอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะไม่ได้ทําความดีถ้าไปทําก็ทําช้าเพราะว่าในเวลาที่ทํากุศ ล, ลกรรมเท่านั้นจิตย่อมยินดีในกุศ ล, ลกรรมคือจิตย่อมยินดีในความดีพ้นจากนั้นแล้วย่อมน้อมไปสู่ความชั่วโดยแท้คือโดยพื้นฐานของจิตใจเนี่ยมันจะน้อมไปสู่ไอ้ความชั่วด้เร็วที่สุดง่ายที่สุดไอ้จิตที่ดีนะ่ยมันเกิดวับๆับเกิดน้อย เหมือนกับเราเดินไปบนถนนเนี่ยไอถนนที่มันราบเรียบเนี่ยมันน้อยไอถนนที่มันขรุขระลื่นเนี่ยมันมีมากเพราะฉะนั้นเมื่อได้โอกาสเดินบนถนนที่ดีแล้วเนี่ยรีบเดินซะไปให้เร็วซะเนี่ยถนนชีวิตของเราเนี่ยมันเดินไปบนไอถนนแห่งตันหาเนี่ยมันเป็นปกตินะตันหาแล้วก็ความตนันดีความลิ้นขยายความถือตัวความ เห็นผิดว่ามีตัวตนมันเดินอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดมีโอกาสไปเห็นนะโอ้นี่นี่เป็นทานนะนี่เป็นศรัทธานนะโอ้นี่เป็นปัญญานะให้รีบเดินไว้ให้รีบทํำไว้ให้มากในการจบคาถาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลมีโสดาปันทิผลเป็นต้นขออํานาจแห่งบุญที่อาตมาภาพและท่านทั้งหลายได้ทําแล้วก็จงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเทจ้าได้ปฏิบัติธรรมและรู้แจ้ง ในธรรมบรรุอริยผลโดยทั่วถึงกันโดยพลันทุกท่านเธิน